วีนีตวัตถุเรื่องผ้ากำพลสีแดงหนึ่งเรื่อง288สมัยนั้นหญิงคนหนึ่งห่ผมผ้ากำพลใหม่สีแดงภิกูุรูปหนึ่งมีความกำหนัดได้กล่าวกับเธอว่าน้องหญิงเธอมีสีแดงแท้แต่นางไม่เข้าใจความหมายจึงกล่าวว่าใช่เจ้าคะ่ะพระคุณเจ้าผ้ากำพลใหม่สีแดง